ก่อนที่จ ะ, สะแสดงธรรมอยากจะขอร้องญาติโยมที่ไม่เคยมาให้ทราบระเบียบของการฟังธรรมสักเล็กน้อยว่าเราจะตั้งอยู่ในความสงบเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่เปิดโทรศัพท์มือถือไม่รับโทรศัพท์เราจะตั้งกายให้สงบวาจาให้สงบและใจให้สงบ เพื่อที่เราจะได้ลิ้มรถพระธรรมกันอย่างเต็มที่ถ้าเรามมวไปทาสิ่งอื่นๆหรือไปพูดโทรศัพท์ไปพูดคุยกันธรรมะที่เราได้ยินก็จะไม่เข้าไปในใจจะเข้าหูซ้ายแล้วออกหูขวาไปการฟังธรรมก็จะไม่ได้รับประโยชน์ส่วนท่านที่มีเด็กเล็กเด็กน้อย ที่ไม่สามารถให้นั่งอยู่เงียบๆได้ก็ขอความกรุณาพาออกไปนั่งที่ด้านนอกของศาลาเพราะการฟังธรรมการแสดงธรรมนี้จำเป็นต้องมีสมาธิคือใจต้องนิ่งใจต้องไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆรอบข้างถ้าใจไม่นิ่งแล้ว ฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์นี่คือหลักของการฟังธรรมเรียกว่าการมีคารพต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้แสดงธรรมต่อผู้ที่ไม่มีความคารมในพระธรรมคาสอนเพราะทรงเปรียบเหมือนกับ เทหลังเทน้ำใส่หลังสุนัขเทเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะสลับทิ้งไปหมดไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อันใดศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาจริงมีเหตุและมีผลผู้ฟังถ้าฟังด้วยความจริงใจถ้าฟังด้วยความตั้งใจก็จะได้รับผลและอาจจะได้รับผลในขณะ ที่กำลังฟังอยู่เลยก็ได้เพราะในอดีตนั้นก็มีการบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมกันอยู่เป็นจํานวนมากเนื่องจากผู้ฟังนั้นก็ฟังด้วยความตั้งใจด้วยความสงกด้วยความคารมไม่ได้ฟังศัก์แต่ว่าฟังเหมือนกับทับพีในหม้อแกงถ้าฟังแบบนั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับทัพทีที่อยู่ในหม้อแกงจะไม่รู้จักลิ้นม่รู้จักรสของแกงว่าเป็นรสชนิดใดคนที่ฟังธรรมโดยที่ใจไม่ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่ได้รับพระธรรมเข้าไปในใจถ้าใจไม่ตั้งใจ ก็เหมือนกับใจคว่ำอยู่เหมือนแก้วน้ำที่คว่ำอยู่เวลาจะเทน้ำใส่แก้วเทเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีน้ำติดอยู่ในแก้วเลยแม้แต่หยดเดียวฉันใดถ้าใจคว่ำใจไปอยู่เรื่องอื่นไม่ยึดไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมใจก็จะไม่ได้รับประโยชน์จะไม่ได้จะไม่เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดความสงบเกิดความผ่องใสเกิดความหายสงสัยจากสิ่งต่างๆได้นี่คือประเพณีของการฟังธรรมถ้าฟังอย่างตั้งใจแล้วถ้ามีภูมิปัญญาพอก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้อย่างที่ได้เกิดขึ้นมาในอดีต ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมคำสอนในแต่ละครั้งจะปรากฏมีผู้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันขั้นอริยเจ้าขั้นสโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์เพราะว่าผู้ฟังนั้นฟังด้วยสมาธิฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ และฟังด้วยภูมิปัญญาของตนที่เปรียบเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือน้าแล้วฟังเพียงครั้งเดียวก็บรรลุได้เลยเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือนา้ารอให้พระอาทิตย์ขึ้นมาก็จะบานได้ทันทีนี่คือพวกที่มีภูมิปัญญาสูงแต่ไม่มีปัญญาของตนเอง พอที่จะบรรลุรมได้เพราะธรรมที่จะบรรลุได้นี้ต้องเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ตัดสร้แล้วนำออกมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้แล้วมาสั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกจะไม่มีสัตว์โลกแม้แต่ คนเดียวที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้นั้นไม่มีใครบรรลุขั้นทำขั้นต่างๆได้เลยไม่มีสโสดาบันไม่มีสกิดาคามีไม่มีอนาคามีไม่มีพออาระอรหันต์ทำกันได้อย่างมากก็คือขั้นฌานสมาธิฌานสมาบัติ ได้รูปประชานหรืออรูปประชานเท่านั้นแต่จะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆมรรคผลนิพพานที่บรรลุกันนี้ก็มีอยู่สขั้นด้วยกันคือขั้นมรรคผลของพระโสดาบันนี่ก็หนึ่งคู่สองขั้นมรรคผลของพระสกิดาคาเมก็อีกหนึ่งคู่อีกสองขั้น มรรคผลของพระ อ, อนาคามีก็อีกหนึ่งคู่อีกสองขั้นแล้วก็มรรคผลของพอระอรหันต์ก็เป็นสี่คู่8ดขั้นด้วยกันพอได้บรรลุเป็นขั้นพระอรหันต์แล้วก็จะได้บรรลุพระนิพพานไปด้วยเป็นรางวัลชิ้นสุดท้ายคือสำหรับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เท่านั้น ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันสกิดาคามีและพระอนาคามีนี้ยังไม่สามารถที่จะบรรลุพระนิพพานได้เพราะจิตจะยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เต็มที่จิตยังมีความโลภความโกรธความหลงชนิดละเอียดข้างค้างอยู่ภายในใจต้องระดับพระอาหารหันต์ที่จะทําใจของตนเอง ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมถ้าฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความสงบฟังด้วยด้วยสติด้วยสมาธิมะผลก็จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจ ดังที่ได้เคยปรากฏขึ้นมาในอดีตแล้วดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะถือว่าการฟังธรรมนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ไม่ต้องให้ความสำคัญซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอในวงของพุทธศาสนิกชนเราเวลาไปฟังธรรมกันนั้นมักจะไม่ได้นั่งอยู่ในความสงบกัน มักจะคุยกันเสียมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปฟังธรรมเช่นเวลาไปนั้นเนื่องจากเป็นงานศพหรือ ง, งานอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องไปถือเป็นงานสังคมไปไม่ได้ถือว่าเป็นการไปศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมจึงไร้ประโยชน์ และก็ทำให้การแสดงธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าไปแต่ในสมัยพระพุทธกาลนี้เวลาที่มีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกกุลีกุจอมีความรู้สึกยินดีเพราะจะได้รับประโยชน์ดังนั้นขอให้พวกเรา ย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธการดูพุทธศาสนิกนในสมัยพุทธการว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นที่ในเบื้องต้นขอให้เราเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริง การเชื่อและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพบการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายจะ <c oughs> ทําให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พบกัน ถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เราก็จะตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังและปฏิบัติอย่างจริงจังถ้าเราทำอะไรด้วยความจริงจังแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการกระทาทางโลกหรือทางธรรมก็เช่นกันถ้าเราทำไม่จริงจัง ทำไปแบบเสียไม่ได้เรามักจะไม่ได้รับผลแต่ถ้าเราทํากันอย่างจริงจังเราจะได้รับผลกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวดองกันผลนี้เกิดจากเหตุคือการกระทําของเราถ้าเราทําด้วยความจริงใจทําด้วยความตั้งใจทําอยากเต็มที่ไม่ช้าก็เร็ว ผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราทำแบบไม่จริงใจทําแบบเสียไม่ได้ผลมักจะไม่เกิดขึ้นเพราะทำไม่เต็มที่นั่นเองดังนั้นเราอย่าไปโทษใครถ้าการปฏิบัติของเราไม่คืบหน้าอย่าไปโทษคนอื่นหรืออย่าไปโทษว่ามักผลนิพพานนี้ไม่มี หรือมีแต่บทยุบบทสมัยไปแล้วสมัยนี้ปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นความคิดผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติทมสมควรแก่ธรรมอยู่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่พระอารหันจะไม่สิ้นไปจากโลกนี้ นี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำยืนยันเป็นคำหลักประกันว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีจะไม่ไร้อยผลอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อเราได้มีศรัทธาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราตั้งใจศึกษา และปฏิบัติให้เต็มที่เถิดแล้วเราจะได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะประเสริฐที่จะเลิศเท่ากับมรรคผล น, ผนิพพานกับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะมอบให้กับเราได้ สิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้เราสิ้นทุกขได้ต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีมีเงินกองเท่าภูเขามีตำแหน่งเป็นมหาจักรพรรดิมีคนยกย่องสรรเสริญอยู่รอบข้างก็จะไม่สามารถ อยู่เหนือความทุกข์ได้เพราะเงินทองตำแหน่งต่างๆหรือคำสรรเสริญเยินยอนั้นไม่มีกำลังพอที่จะกำจัดความทุกข์ภายในใจของเราได้มีแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ ดังนั้นขอให้เราให้ความสนใจกับการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าที่จะไปแสวงหาเงินทองหาตำแหน่งหาการสรรเสริญยกย่องเยือเยอยหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันไม่ได้ ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกนั่นเองในเวลาที่เราแก่ลงไปที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในเวลาที่เราตายสิ่งเหล่านี้จะไม่ช่วยจิตใจของเราเลยแต่จะทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์มีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความหวาดกลัวมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจเช่นมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ภายในใจใจของเราจะสงบนิ่งจะไม่รู้สึกหวั่นไหวกับการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆกับร่างกายของเราคือความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดี หรือความตายก็ดีเพราะใจนี้สามารถแยกออกจากกายได้ใจปล่อยวางร่างกายไม่หลงยึดติดว่าเป็นใจเป็นตัวของเราเป็นเพียงวัสดุชิ้นหนึ่งเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองที่ใจอาศัยใช้สวมใส่แต่ไม่ได้เป็นตัวใจ ใจจะมีปัญญารู้ความจริงแล้วก็จะไม่ไปยึดติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขาเพราะไปห้ามไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เวลาเขาแก่ก็ไปห้ามเขาแก่ไม่ได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เวลาเขาตายก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ใจห้ามไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เพราะใจมีสติมีสมาธิและมีปัญญานี่คือธรรมะที่สำคัญที่สุดสำหรับการดูแลรักษาใจของเราส่วนการรักษาศีล และการทำบุญให้ทานอย่างที่ญาติโยมได้มากระทำกันในวันนี้นั้นเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาสินการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาก็จะเป็นไปได้อย่างยากเย็ยนหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าาด สิ่งที่จะสนับสนุนการจเจริญสติสมาธิและปัญญานี่เองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทำทานให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีเกินความจำเป็นที่มีเหลือกินเหลือใช้ในีปไปเพื่อจิตใจจะได้ไม่ต้องมากังวลมาวุ่นวายกับการดูแลรักษา ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆและก็จะทำให้จิตใจนั้นมีความสงบมากขึ้นถ้าใจมีความสงบมากขึ้นแล้วก็จะสามารถเจริญสติเจริญสมาธิได้อย่างนั้นในเบื้องต้นจึงทรงสอนให้ทำบุญให้ทานไปเรื่อยๆทำนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อ หวังผลตอบแทนอะไรเลยนอกจากเป็นการชำระสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหรือว่าวุ่นขุนมัวนั่นก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและการเสียดายการความตนีนั่นเองถ้ามีความตนีมีความหวงแหน มีความเสียดายอยู่ภายในใจใจก็จะมีความเศร้าหมองไม่มีความสุขแต่ถ้าใจไม่เศร้าไม่ไม่มีไม่ตเนีไม่เสียดายใจก็จะมีความสุขจะมีความสงบแล้วใจก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปคือจะมีกำลังที่จะรักษาศีล เมื่อมีศีลก็จะมีกำลังที่จะทำจิตใจให้สงบเจริญสมาธิจเจริญสติแล้วก็พอมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จ ะ, จะเจริญปัญญาจะมีกำลังที่จะตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้ให้หมดไปได้ พวกเราก็ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันมามากเราก็ได้ยินเสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราเราต้องปล่อยวางร่างกายกันแต่เรายังปล่อยกันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีกำลังพอเราไม่มีสมาธิพอเรามีปัญญาแต่ปัญญาของเรานี้ถ้าเป็นมีก็ไม่แหลมไม่คม เพราะไม่ได้รับและคนฟันก็ไม่มีกำลังฟันไม้ฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาดแต่ถ้าคนมีสมาธิและมีปัญญาพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆปัญญาก็จะแหลคมคมแล้วถ้ามีสมาธิ ก็จะมีกําลังที่จะสามารถตัดไม้ได้อย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อตัดพบตัดชาติตัดกิเลสตัณหาตัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจต้องตัดด้วยทานศีล ส, สมาธิและปัญญา ขาดองใดองหนึ่งไปไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำพร้อมกันถ้าเราสมมติว่าเราให้ทานไปหมดแล้วไม่มีเงินเหลือแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกับการให้ทานอีกต่อไปเช่นผู้ที่มาบวชนี้ท่านก็สละทรัพย์สละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้ว ท่านมาอยู่ในพระพุทธศาสนาก็มีเพียงอัถบริขารมีสมบัติอยู่8ดชิ้นที่จำเป็นต่อการดารงชีพของสมณะเพศเท่านั้นดังนั้นท่านก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทำบุญให้ทานเหมือนกับศรัทธายาโยงเพราะศรัทธายาโยงนี้ยังมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อยู่อีกมาก ยังไม่ได้ให้ไปหมดก็ต้องให้ต่อไปจนกว่าจะให้หมดแล้วเท่านั้นถึงจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำทานต่อไปถ้าให้หมดแล้วก็มีหน้าที่รักษาศีลเป็นพระก็รักษาศีล227ข้อแล้วก็เจริญสมาธิและปัญญาด้วยการปรีกวิเวก หาสถานที่สงบสงัดเพราะการจะเจริญสมาธิและปัญญานี้ต้องอยู่ในสถานที่ไม่มีสิ่งต่างๆมารบกวนใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ดีหรือแม้แต่ความคิดของตนเองก็ดีจะต้องพยายามกำจัดให้ได้สิ่งที่จะช่วยกำจัดได้ก็คือสติ สตินี้คือการระลึกรู้ให้ดึงจิตให้ระลึกยุวอยู่กับร่างกายของตนอยู่กับกิจกรรมที่กําลังทําอยู่อย่าไปคิดเรื่องต่ตางๆอย่าไปสนใจกับการดูการฟังการลิ้มรสการดมกลิ่นพยายามตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อที่จะได้ ไม่มารบกวนการทำจิตใจให้สงบนั่นเองถ้าเป็นคารวะ ญ, ญาตโยงก็จะถือศีลแปดกันเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ตัดสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจทางตาหูจมูกนิ้นกายอาหารก็รับประทานเท่าที่จำเป็นเช่นไม่รับประทานหลังจากเที่ยมวันไปแล้ว รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่ดูไม่ฟังกันเช่นไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากการละเล่นต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวใช้น้ำหอมใช้เครื่องสมอางเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำจิตใจให้สงบผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการได้สมาธิและได้ปัญญา จึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปลแล้วก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดไม่มีอะไรมารบกวนถ้าอยู่อย่างสงบสงัดแล้วการทาสมาธินี้ก็จะง่ายง่ายกว่าการทำสมาธิในที่สาธารนณะในสถานที่ที่มีกิจการต่างๆเกิดขึ้น ถ้านั่งทําสมาธิในที่แบบนั้นนั่งไปจนมันตายก็จะไม่สมงบเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆมาคอยรบกวนใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการที่เราจะทําให้น้ํานิ่งนั้นเราต้องไม่เข้าเราต้องไม่ตักน้ําเราต้องไม่โยนอะไรเข้าไปในน้ําเราต้องปล่อยให้น้ํานั่นอยู่เฉยๆไม่มีใครไปรบกวน ถ้าไม่มีใครไปรบกวนน้ําที่อยู่ในตุ่มหรืออยู่ในอยู่ในถังก็จะนิ่งได้แต่ถ้ามีการตักมีการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องน้ําก็จะไม่นิ่งฉันใดถ้ายังมีการรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถทําใจให้นิ่งได้ดังนั้นเราต้องปิดทวารปิดตาปิดหู ปิดจมูกปิดลิ้นแล้วก็ตั้งสติควบคุมใจของเราไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกให้อยู่กับอารมณ์ที่จะผูกใจของเราให้เข้าสู่ความสงบจะเป็นการบริกรรมพุทโธก็ได้จะเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้จะเป็นการสวดมนต์ไปก็ได้แต่ไม่ต้องออกเสียง สวดไปภายในใจบริกรรมพุทโธไปภายในใจหรือดูลมไปภายในใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิได้จิตก็จะเป็นอุเบกขาตอนนั้นก็จะแยกออกจากร่างกายไปจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย เมื่อได้พบกับความสงบแบบนี้แล้วก็จะมีพลังจะมีความสุขเวลาออกจากความสงบท่านก็สอนให้เจริญปัญญาต่อไปให้พิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตากับสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายเป็นต้นให้พิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์ถ้าไปยึดไปติด เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้ร่างกายเป็นไปตามที่ใจต้องการได้ถ้ามีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ไม่เป็นน้ำที่ใจต้องการและต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีใครไปห้ามความแก่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ห้ามความตายได้ ถ้ามีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะมีความทุกข์ทันทีแต่ถ้าไม่ย่อถ้าถ้าไม่ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้นี่คือปัญญาที่เราควรจะเจริญในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ แต่ในขณะที่อยู่ในสมาธิก็ไม่ควรคิดอะไรไม่ควรเจริญปัญญาควรให้ใจสงบนิ่งให้นานที่สุดเพราะจะเป็นการสะสมพลังสะสมกำลังให้มาตัดมาต่อสู้กับความอยากต่างๆนั่นเองถ้าเราสามารถปฏิบัติไปอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วไม่นานใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้เราทั้งหลายมีความมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเรานี้เป็นของจริงเป็นสิ่งที่จะให้เราได้พบกับสิ่งที่เลิ่อนนัประเสริฐอย่างแน่นอนข้อสําคัญขอให้เรามีความจริงจังต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติเท่านั้นเถิด ถ้าเรามีความจริงจังแล้วรับรองได้ว่ามังผลนิพพานนี้จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนดังที่ได้เป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วในอดีตทั้งหลายผู้ที่มีความจริงจังต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอริยสงสารวงเป็นจานวนมากเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งของพวกเรามา จนถึงปัจจุบันนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่มีความแตกต่างจากเรามาก่อนก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยสงสาวกท่านก็เป็นปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราแต่ท่านมีศรัทธามีความจริงจังต่อการปฏิบัติท่านจึงได้กลายเป็นพระอริยสงสาวกเป็นสลาณะเป็นที่พึ่งของโลกพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีศรัทธาและมีความจริงจังต่อการปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานนี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจารณาและประโยชน์และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา